ก็ความเจริญในธรรมจึง ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รุ่มประโพธิญาณกำลังนำเสนอเรื่องกรรมสกตาสมาธิสืบต่อกันมาโดยดำดับมาถึงช่วงที่จะพูดถึงผลเรื่องอนิสง์ของสุจริตทางกายทางวาจาใจกวันกรก็พูดมาที่กายกับวาจา วันนี้จะนําศึกษาถึงสภาพจิตซึ่งเราเจอบ่อยที่สุดโลกกดหลงกับไม่โลกไม่กดไม่หลงแต่ตอนนี้เราพูดเรื่องสุจริตเราก็พูดเฉพาะด้านไม่โลคไม่กดไม่หลงซึ่งก็ต้องเข้าใจนะฮะว่าด้านโลกปดหลงก็คือตรงกันข้ามคล้ายๆกับขาวกับดํำมืดกับสว่างเย็นกับร้อนเนี่ยพูดด้านใดด้านหนึ่งก็ต้องนึกด้านหนึ่งว่ามันตรงกันข้ามตรงกันข้ามกับด้านเนี่ยลักษณะของความไม่โลค คือสว่วนมโนสุจริตนี่ทรงใช้คำว่าไม่โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นเรียบอนุพิชาไม่เพ่งเลงโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นมาเป็นของตัวเองหมายความว่าควบคุมความโลภไปได้แต่ถามว่าโลภไหมก็บาคว่าโลภแต่ไม่ถึงก็อยากได้ของของบุคคลอื่น ต้องการจะได้อะไรปรารถนาอะไรก็ใช้ความเพียรพยายามขวนขวายสแสวงหามาด้วยตัวเองวัลกษณะเหล่านี้เป็นข้อที่น่าจะทำความเข้าใจเพราะว่าในแนวหนึ่งที่เราเรียกว่าแนวของตัอติธรรมมัตสังกหานเนี่ยจะจำแนกเอาไว้เรียกว่าลักษณะที่จะตุกกะ ก็มาจำแนกถึงลักษณะเป็นยังไงหน้าที่เป็นยังไงสิ่งที่ใจเราสัมผัสเป็นยังไงแล้วก็เป็นอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดขึน้นเป็นการมองจากมุมด้านต่างๆก็คล้ายๆกับว่าเชื้อโรคระบาดเนี่ยมันมาจากอะไรส่วนหนึ่งก็ควรป้องกันไว้ส่วนหนึ่งก็ควรบําบัดส่วนหนึ่งก็กําจัดเงื่อนไขต่างๆ เี่นอาจจะนำไปสู่โรคระบาดเป็นต้นแต่ผลสรุปรวมก็คือว่าจะไม่มีโรคระบาดเกิดขึ้นนั่นก็คือเป้าหมายลักษณะของความไม่โลภนั้นท่านบอกว่ามีความที่จิตไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นลักษณะคือจิตจะไม่กำหนดกำหนดอารมณ์นั้นรูปสวยหนะ้าเสียงไปเราะนะกลิ่นหอมนะ้ารส อ, อร่อยนะ่าสัมผัสหนะ้าจับต้องนะมันอาจจะมีความรู้สึกแต่ว่า ก็อยู่ในส่วนของตัวเองคือเพลินเพลินชื่นชมในส่วนของตัวเองแต่ว่าถึงจุดนี้ในถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ลดละได้นะจางคลายลงไปได้ใจมันจะไม่คล่องเพราะคุณลักษณะอย่างหนึ่งเนี่ยคือใจเราจะไม่คล่องในสิ่งเหล่านั้นไม่ไปยึดถืออย่างน้อยก็ของคนอื่นเนี่ยมาเป็นของเรา อยากได้ใช้เลขเหลี่ยมใช้เลขเทศต่างๆภาพลักษณ์เหล่านี้เจะเห็นว่าแนวสื่อทั้งหลายแนวสื่อที่สร้างเป็นอะไรละมึงละครหนังสือหนังหาเนี่ยคือมันสะท้อนจิตวิญญาณดิบมากเกินไปจริงมันน่าจะสะท้อนภาพลักษณ์ของคนกลุ่มหนึ่งที่เขาคุมตรงนี้ได้ เขโลกเขาก็ใช้ความเพียรพยายามผลขวัญแสวงหาได้มาครอบครองมอีสถานะมั่นคงบนเส้นทางการได้มานั้นมีความสุจริตเป็นที่ตั้งเพื่อจะปลูกร้าจิตใจของบุคคลให้หมุนไปในทางตรงนี้จะบ้างนะฮะจะได้ยิงมีปัญหาเพราะอะไเพราะว่าเราดูล้แยๆจะทําง่ายนะหยิตที่ไม่กําหนัดในอารมณ์หรือไม่คล้องในอารมณ์เนี่ยดูแยๆจะทําง่าย แต่ว่าโลกเราเป็นโลกกามาวจรคือสัตว์โลกเนี่ยเป็นสัตว์โลกประเภทกามาวจรภูมจิตมันมีโลภะโทสะโมหะเนี่ยเป็นรากเลยเป็นธ า, าตุนะธาตุคือธาตุเป็นโลภะธาตุโทสะธาตุโมหะธาตุเนี่ยมันอยู่ภายในใจแต่ในขณะเดียวกันพวกนี้มันก็เป็นธาตุอยู่ภายในใจแต่ว่าในแต่ละวันที่เรารับอารมณ์เนี่ยมันแรงกระตุ้น ราคะโลภะโัสามโมหะนี่มันเยอะเพราอะไรเพราะมันเป็นธุรกิจเป็นผลประโยชน์เป็นอะไรต่างๆได้อย่อะไรยเราสังเกตว่าบางทีเนี่ยแม้แต่พวกสงครามพวกขายอาวุธนี่ก็ผลิตอาวุธไดก้ก็สร้างเงื่อนไขส่งคนไปยุให้รํำตาไม่รวยตรงนั้นทะเลาะกันตรงนั้นตรงนั้นทะเลาะกันตรงนั้นอะไรแต่ <S <S <S แล้วก็มาขายอาวุธนะคนก็พอใจที่มีอาวุธ แล้วพอใจเท่มลายไข่ตรงงานข้ามกับตนแต่ว่าทำลายทรัพย์สินเงินทองทรัพยากรธรรมชาติปุนปี้ยุบยับเนี่ยก็ไม่ได้คิดนะครับเพราะอะไรเพราะมันเวลาโลภมันขึ้นเนี่ยโมหะมันตามเพราะมันเกิดมาจากโมหะแล้นั้นแนวโลภมันก็เกิดมาจากแนวของปัญญาหรือแนวของโมหะมนุษย์จึงค่อนข้างจะไปคล้องติดอยู่ในสิ่งทั้งหลาย แล้วก็มีการคขว่คว้าปรารถนาตรงนี้มีเหตุผลมีสติปัญญาหยุดอันนี้ของเขานะไม่ใช่ของเราแต่สมมติว่านะสมมติว่าเราของไปวางไว้เนี่ยแล้วก็ปนเปนกันอยู่แล้วเมื่อเราจะเลือกเอากลับมาเราก็เลือก เ, อเฉพาะของเราของเราอาจจะไม่มีค่าอะไรมันก่อนไม่มีอดีต ข้าราชการผู้ใหญ่ระดับผู้ว่าราชการน่นะะก็สวมรองเท้าอะไรไม่รู้ราคาเขาบอกแ8ดแปดพันมันก็จอดจนหน้าห้องเขาเข้าไปคุยข้างในปรากฏว่าเจอมันถึงออกมาถึงก็เจอรองเท้าอื่นเขาก็ทิ้งไว้ให้นะฮะก็เปลี่ยนไม่ให้ราคาทั้1ร้อยกว่าบาทแล้วก็เอา 8, ไปแปดพันไปทันี้เราเห็นว่าโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นโดยไม่คำหนึ่ง โดยกับหนึ่งนี่ก็คือกลายเป็นโจรกรรมเป็นไหมพอโลภมากก็กลายเป็นโจรกรรมแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ไปถึงก็อยากได้ขนาดนั้นแล้วก็ดูแล้วเกิดความชื่นชมก็มีจินตนาการในความใขวฝันก็อยากจะมีครอบครองโอกาสหนึ่งฮะสวัยงารวบรวมเงินทองเก็บออมมาไว้วันหนึ่งก็ซื้อได้เมื่อก็มีรองเท้าสูบเมืองกัน แต่ว่าความโลภนั้นได้ถูกควบคุมเอาไว้ไม่ทำให้ละเมิดเส้นขนานของศีลธรรมของกฎหมายออกไปพนใจจะไม่คล่องจะไม่คล่องขวาย้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นแล้วก็มุ่ง เ, เฉพาะตรงนั้นอย่างเดียวนะเราลองนึกดูภาพตงเนี้ภาพตัวนี้เหมือนกับทศกัณ์ นางสาวนาขาวไปเล่าความสวยงามกับนางสีดาเลยตาลายเลยหน้ามืด ก, ก็ผู้หญิงเยอะไปในกรุงลงกาทาไมจะไปวุ่นวายขนาด น, า น, นาั้นอ่ะเพราะว่าใจท่านไปคล้องคล้องเนี่ยมันสลับมัหลุดถ้าก็ปรุงแต่งปรุงคิดคิดปรุงเอาแล้วถ้าเรามองถึงว่าจริงๆมันก็น่าคิดเน่ยนะฮะเพราะว่าทําสงครามมาอยู่ตั้งสิบสี่ปีตั้งแต่ น, นางสีดาสาวๆจนแก่ เทศกาลก็แก่ตามันแหละแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแมันสะท้อนธรรมะในทางพฤติกรรมของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีวันนี้มันเกิดมาจากโมหะแล้วก็ทำให้โลภมากตรงนี้มันเกิดจากอา ม, มหะอโลมะมันก็โลภะมันถูกคุมไว้มันก็กลายเป็นอาระคือจิตจะไม่กำหนดจะไม่กำหนดให้เกิดความกำหนัดตัวนี้เรื่องใหญ่นะ เราลองสังเกตว่าปัญหายาเสพติดปัญหาโรคเอปัญหาคอร์รัปชันปัญหาของเถื่อนอะไรต่างๆที่มันเป็นปัญหาระดับหนึ่งสอามี่อยู่ในบ้านในเมืองเราเนี่ยมันเกิดจากโลกภะโมหะจิตไปกำหนดด้วยความกำหนัดแล้วก็ไม่ได้มองอะไร ไม่ได้มองอะไรว่ามันเหมาะมันควรยังไงแต่จะควบคุมจิตใจตัวเองว่าย่งในสูตรก็ข่องข้องก็กระสานอยากนอนไม่หลับกระสับกระส่ายแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็ไม่ได้ตัวเลขเขาโดยคนไม่มนเอาโดยคาถาอะไรก็เละเข้าป่าอะไรนี่คือปัญหาทางอารมณ์ทีนี้ถ้ามองปั๊บอย่างนั้นเราไม่กำหนับเราไม่กำหนดด้วยความกำหนับใจก็ไม่ข้องก็สลับสลับความรู้สึก อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากครอบครองสิ่งของชิ้นนั้นนะ่ะฮะสิ่งของสิ้นนั้นหรือสิ่งของคนนั้นออกไปเราก็อยู่ตัวเองไว้ในสุจริตธรรมโดยเฉพาปะปัญหาเรื่องโรคเอจปัญหายาบ้าเนี่ยชัดเจนนะฮะ ม, มันเป็นอาการของโมหะกัลโลพาทีนี้ถ้าเราปัญญาเข้าไปคุมไว้เนี่ยมองกันโ ด, โดยผลเนี่ยทําไมวิ่งกับไปชนบางตอ่อทําไมละ ก็ปัญหามก็รู้กันได้ยินได้ฟังกันอยู่ทุกวันเนี่ยวิ่งกันไปหาทําไมนั้นแสดงให้เห็นว่าเรามีปัญญาไม่มากพอต่อการที่จะคุมความปรารถนาให้อยู่ในจุดที่เรียกว่าไม่กําหนัดหรือไม่ข้อมติดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นทีนี้เมื่อเมื่อเราไม่โลภเนี่ยแม้แต่เราครอบครองมันจะไม่หวงเห็นไหมว่าการบริจาคทานการสงเคราะห์นุเคราะห์การช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรต่ออะไรต่า ง, า ง, างๆแก่สังคม นี่เราต้องยอมรับนะว่ากิจกรรมของฝรั่งซึ่งแม้จะเขาจะนับถือศาสนาอื่นนะก็ยังนึกว่ากิจกรรมของพวกคริสเนี่ยนะถือคริสเนี่ยมันบําเพ็ญสาธารณกุศลเยอะนะแล้วสาธารณกุศลระดับชาติมันก็ส่วนใหญ่มันเกิดมาจากพวกคริสซึ่งเราก็ต้องยอมเขาในประเด็นตรงนี้ว่าเขาเก่งในการความรู้สึกระดับนี้นี่เขาทาได้ดีคือจะไม่หวงแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกับบุคคลอื่น วันเกิดวันก่อนเนี่ยดูขาวเล็กๆกแต่เราก็ชื่นชมนะฮะนักกีฬาอะไรเขาเรียกอะไรบาสเกตอะไรอ่ะที่มันตีดโดยกดไกยอ่ะแกแข่งชนะได้รางวัลแกตั้งกองทุนสงเคราะห์เด็กยากจนเด็กไม่มีที่เรียนี่ช่วยเหลือคือกลุมนสังคมเออคนอย่างนี้เป็นคนที่น่าชื่นชมอะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเขาไม่หวงเขาครอบครองเขาเยอะมีเหือกินเหือใช้ แล้วก็ออกมาในรูปของทานไอ้แม่ทานเนี่ยมันต้องมาจากอโรมะคือไม่หวงของที่เราครอบครองอยู่ถ้าเราหวงเราก็ให้ทานไม่ได้แต่ยันที่บอกไว้แล้วว่าทานเนี่ยมันขจัดทั้งโลภะโทสะโมหะคือตัวของเนี่ยเรามีอโลภะคือไม่หวงตัวคนเนี่ยเรามียโทสะคือไม่เกลียดเขาและตัวเจตนารมเราไม่มีโมหะ เรารู้ว่าการให้ทานเป็นการดีเราให้การบวชคนเดียวไม่ได้สุขเราก็แบ่งปันกันเพราะนั้นการที่ไม่หวงไม่หวงไม่ยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเหมือนกันนกอะไรภาษาภาษาบาลีเขาเรียกนกไมฮกะไมฮกะนี่ที่จริงถ้าแปลนิ่มๆเนี่ยนะแปลว่าของฉันของฉันถ้าแปลสำนวนหลวงพ่อพุทธทาสก็แปลว่าของกูของกู หรจับที่ไหนก็ของของตัวเองหมดเลยแล้วบนรถไยแกก็บินไปแล้วแกก็ตายไปแกก็ทิ้ไงไอ้ของแกไว้ในโลกนี้นะเอาไปไม่ได้แต่คนเราประเภทนกไมากาศนี่มีเยอะนะฮะเราสังเกตว่าแม้แต่ในในใ น, ในแวดวงของตำแหน่งหน้าที่การ ง, งานอดไรต่างๆเราก็จะยึดติดเป็นของเรา วัของเราอะไรของเรากุฏิของเราอะไรอะไรของเราก็วุ่นไปหมดเลยตําแหน่งหน้าที่การงานของเรามันเป็นสาธารณะสถานสาธารณสมบัติสาธารณตําแหน่งมันไม่ได้ผูกขาดนะฮะแต่ว่าเพราะว่าโลภะเนี่ยโมโลภะมันมีโมหะมันก็ผูกขาดแต่ตอนนี้มันมีอโลภะมันมีอโมหะคือความไม่โลภก็คือไม่หลงไม่หลงก็คือไม่โลภแล้ก็ออกมาในโลกของการไม่หวง หน้าที่นะฮะหน้าที่ของเขาก็คือไม่ห่วงแล้วก็มีโยนิโสมณสิการโรนี้ปัญญานะฮะเป็นโยนิโสมณสิการเป็นการคิดพิจารณาโดยรอบคอบในสิ่งเหล่านั้นถ้ามันมีความประณีตลึกซึ้งจริงๆเนี่ยท่านอุ ป, ปมาว่า <S 2> <S 2> <S เหมือนกระยาดน้าที่ไม่ติดอยู่ในใบบัว หรือว่าเมือนกับคนที่หลุดพ้นแล้วนะฮะคุณได้หลุดพ้นไปแล้วเนี่ยจะไม่ข้องไม่ติดในอารมณ์ทั้งหลายไม่มีคําว่าของเราอยู่ในสถานที่นั้นเป็นเป็นอะไรล่ะเหมือนกับ น, นกมีปีกเขินบินไปในที่ทั้งหลายโดยไม่ข้องติดในถิ่นต่างๆที่เคยอยู่เคยกินเคยเกาะเนี่ยฮะนกนกทั่วไปก็จะมีลักษณะอย่างนี้นราะสภาพจิตตรงนี้เป็นสภาพจิตที่อบอุ่น แล้วก็ปวดแผ่มีความเยือกเย็นโอป้อร์มารีเออร์เพื่อโผแผ่สมเคราะห์โนเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลรักษาพิบาลิเนี่ยมันจะออกมาแนวเนี้ ย, ยคือมันมองจําแนกแยกแยะว่าไอ้สิ่งที่เราโลภเนี่ยเราเอาไปได้จริงไงด้วยชีวิตของเราเนี่ยอย่างที่บอกไว้ที่บรรก่อนว่าคราับอนเนี่ยท่านพังเผยไว้นะชีวิตของเราก็สี่คนหักสามคนแห่คนหนึ่งนั่งแค่สองคนพาไป มันก็เป็นกระบวนการของธาตุสี่แล้วก็เลื่อนไหลไปตามกระแสของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนันตาซึ่งเราจะพูดในเรื่องวิปัสสนาสมาธิีนะแล้วก็คนหนึ่งนั่งแคร่ก็จิตมันก็ไปครองขันยูเท่านั้นเองแต่ตัวตามจิตนำมานำไปนำอยู่เนี่ยมันก็คือบาปกระบุญแล้วจะเอาบาปทําอะไรอะ่ะบาปมันตามแผดเผาในภายหลังเอามันไปทาอะไร แต่เก็บสะสมไว้ทำอะไรเห็นว่าเกิดลักษณะความคิดวยโยในโสมานติกาในตัวคิดเนี่ยอย่างที่เคยบอกอยู่เสมอว่าเวลาเนี้ยปัญหาสาคัญว่าคุณคิดอย่างไงละ่ะในเรื่องตัวเนี้ยคุณคิดอย่างไงไปจากคิดอย่างไงเนี่ยคุณก็รู้มาอย่างไงด้วยนะรู้ยังไงก็คิดอย่างนั้นคิดอย่างไงก็รู้อย่างนัง้นเพราะเมื่อกลายเป็นปัญหาในด้านความคิดจะเวี่ยงไปทางไหนก็ได้นะ แนวโยนินโสมนสิการเป็นความคิดที่มีระบบมีกฎเกณฑ์มีที่ไปที่มามีความชัดเจนในกระบวนการนะของความคิดในเรื่องดอกนั้นคือถ้าเรามองมองถึงสื่อต่างๆเฮ้ยยิงงานแล้วหลายปีมาแล้วนะฮะมันมีคราวหนึ่งคือนาาักข่าวสื่อยิ่ใหญ่คนหนึ่งก็รู้จักกันนะฮะก็ามาที่กติแต่พอดีเขาก็ลงข่าว ลงข่าวเล่าเป็นตุปเป็นตาเป็นนิยายเลยผู้หญิงถูกฆ่าเดียร่าเท้าวเนี่ยแล้วก็อธิบายเป็นตุปเป็นตะก็ออบอกว่าผู้หญิงออกมาจากงานในกะดึกแล้วก็มีผู้ชายซุ่มอยู่สามคนพอเห็นผู้หญิงออกมาก็เดินตามเขับประกบผู้หญิงเห็นท่าไม่ดีก็รีบจ้ำเดินะผู้ชายก็จ้ำตามผู้หญิงก็ตกใจแล้วก็วิ่งหนี ผู้ชายก็วิ่งตามไปทันกันที่ไต้เงาเงาของสะพานแล้วก็เข้าปลุกปั้มค่มขืนผู้หญิงไม่ยอมก็ฆ่าตายแล้วก็แยกย้ายกันหนีไปพอดีก็มาพอดีนะแล้วกาเนี่ยก็ฟังว่าเนี่ยคุณเท็ดถามาทำไมว่าอย่างงั้นก็บอกว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็แสดงว่าคุณยืนดูอยู่ด้วยคุณเป็นบุคคลที่สี่ที่ห้าในตรงนั้นเน่ หมายความคุณก็สมรู้ร่วมคิดกับเขาอะถามว่าทําไมต้องเขียนอย่างเงี้ยเขียนมันเห็นเองเขาก็บอกว่าคนไทยชอบนิยายเขียนเป็นนิยายมันเป็นตุปเป็นตากแล้วถ้าเราเอาพวกเนี้มาโยนในสมนาฬิกาณมาจับเนี่ยนะมาจับมันเรื่องเยอะมันไม่มีความสมเหตุสมผลในตัวของมันมันมีความขัดแย้งกันแต่ว่าที่โบราณเขาสอนเนี่ยสอนเนี่ย เขาหลอกบอกลาบอยเมืองไกลอย่าพึงไปตามคำก็ลำพานเหนะ็นไหมอย่าโลภนั่นเองเคลื่อนโยนิโสมนสิกาให้มันคิดโดยเหตุโดยผลเป็นอย่างดีหรือว่าห้าเบี้ยไกลมือนี่ยอย่าทิ้งห้าเบี้ยไกลมือเพราะสิบเบียเ้ยสิบเบีย้ยมันไม่แน่มันมันมีจริงหรือเปล่าสิบเบียเ้ยแต่ห้าเบีย้ยเนี่ยมันแน่นอนอยู่ในมือเรา คือใกล้ๆการนิทานที่เรื่องของอะไรอะเรื่องหมาที่คาบเนื้อแล้วก็เดินไปบนสะพานนะเป็นเงาตัวเองแล้วคาบเนื้ออยู่ด้วยนะก็รู้สึกว่าไอ้เงาที่มันเนื้อที่เป็นเห็นเนื้อจากจากตัวนอกแะยะตัวนั้นตัวเองคาบอยู่มันก็เห็นไม่ชัดนะเมื่อเห็นตัวชิ้นใหญ่ก็เกิดโลภอยากได้ไปทํำยังไงตัวเองคาบอยู่ก็เลยปล่อยเนื้อตัวเองเพื่อต้องการไปแย่งก่อน อย่างโตขึ้นอันนี้เราเห็นว่ามันมันลักษณะของขาดโยในสมราราการคือขาดความคิดที่เป็นระบบมีกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยบ้านเมืองเราถ้าหากว่าที่เราเป็นบันหมาเศรษฐกิจที่แก้กันแค่เป็นแคตาอย่างเนี้ยคือถ้าเราเอาหลักของโยในสมราราการเข้ามาจับเนี่ยนะคือใช้เหตุผลใช่มุมมองที่มันมีความสมเหตุสมผล มันไม่มีอะไรรุนแรงนักหนาหรอกแต่ว่าเราไม่ได้หยุดความบูราพาผู้ฟ้าฟุ่มเฟือยโฆษณาประชาสัมพันธ์รถแรกแก่แถมไม่มีมาตลอดสถิติการจําหน่ายรถราคาแพงๆรถเบนซราคาแพงๆวิ่งเกลื่อนอยู่ในบ้านในเมืองเนี่ยแล้วก็ป้ายแดงนี่ก็เยอะราคาแพงๆเนี่ยนั้นก็แสดงว่าจริงๆคนก็มีเงินคนส่วนหนึ่งก็มีเงินแล้วก็ยังใช้นิสัยแบบเดิม ไม่ได้คิดว่าไอ้เงินที่มันออกไปเนี่ยเป็นเงินตาต่างประเทศก็ทำให้เราก็ขาดดุลมากยิ่งขึ้นประเทศยากจนอยู่แล้วนะคือถ้าเราคิดว่าประเทศก็เหมือนกับครอบครัวถ้าจ่าย อ, อกมากเข้ามาน้อยเนี่ยครอบครัวก็ยายก็เดือดร้อนแต่เพราะเราขาดโยนในโวนโรมันนิการเพราะเรามองโลบเมื่อโลบแล้วก็ไม่ยอมใช้เหตุผลที่ถูกต้องมันจะอธิบายเข้ากับตัวเอง เว่ น, นี้เราจะได้ยินเยอะเลยขณะพวกเผาจวนนะ่ะดูบรรพุจาร์เลยเว่ น, นี่ยมีตั้งหลายแห่งนะกูเผาจวนมันเป็นอะไรไปอะคนเนี่ยจูว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินโบราณเนี่ยก็ถือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาว่าทรัพย์สินของแผ่นดินของาศาสนานี่ตกล้าไม่ไหลายตกไปไม่ไม่ไปทําลายได้ยังไงมันแสดงตั้งวามไม่มีความคิดเลยพูดจาอะไรแต่ไรไม่มีความคิดแล้วบางทีก็เมาเหล้า แล้วคิอขนองเริม่มซื้อพิมเนี่ยไปเอาคำอย่างนั้นแหะคำควางขี้เมาในบางทีมาพูดมาเสนอนะมันก็กลายเป็นการช่วยปลุกระดมให้เขาคนอื่นก็เออก็ดีเหมือนกันก็สนุกดีเหมือนกันไปสร้างวีรเวรอะไรขึ้นมาในบ้านในเมือนี่คือมันกเกิดมาจากอายโยนิโสมันาการือการไม่ได้ใช้ความคิดโดยเหตุโดยผลที่เหมาะที่ควรแล้วก็ทำให้ใจไป ข้องติดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นหรือความอยากบางทีความอยากจะทําลายนะเราจะเห็นว่ามีทั้งโทสะมีทั้งโลภะแล้วก็มีทั้งโมหะอยากจะทําลายอยากจะเผาอยากจะขัดขวางอยากจะอะไรต่ออะไรก็แสดงเลยขึ้นโอทูแล้วเกินเนะนี่ยนะคนคนเ่านี้เราเห็นผ้าต่างๆแล้วโดหูใจไม่มีใครกล้าพูดพยอมสยบยอมจำนวนเราคนเหล่านี้หมด ทำไมคนอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่พูดไม่ชี้แจงที่จริงไอ้พวกมบทั้งหลายมันมีหัวไม่อะไรหรอกไอ้ตัวหัวก็ตัวเบื้องหลัง่งตัวลกลาไม่ต้องไปยุ่งหรอกเอาหัวมาพูดหรือเอาเบื้องหลังมาพูดเบื้องหลังยิ่งสำคัญไหนตัวเงินเนี่ยเอามาพูดจ้ะพูดกันให้รู้เรื่องอย่าสําแดงอาการโรกปกวดหลงรุนแรงจนกลายเป็นอาตราการเพราะนั้นคือทุจริต และเวลาเนี้ยเราอยู่ในประชาคมโลกความเลวร้รายต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองไม่ได้กระทบเฉพาะเป็นประกกชากชนแล้วมันเป็นกระทบองร์รวมของความเป็นชาติบ้านเมืองเห็นไหมเราเห็นว่าโยกครอนเศรษฐกิจโยกการเมืองโยกเลยสังคมก็โยกหมดมันแตะไม่ได้นะมันแตะมันกระเทือนหมดแต่เราตัวเนี้ยอยู่ในส่วนราชการตรงนี้เราไม่ได้คิด เพราะว่าความคิดแม้แต่ระดับผู้นำบ้านเมืองเราลองฟังสังเกตที่เขาสัมภาษณ์ก่อนที่จะฟอม ร, รัฐบาลหนฟังเขาสัมภาษณ์ดูแทนมันไม่น่าจะมาอยู่บริหารบ้านเมืองเลยบางคนเนี่ย น, นะคือมันแสดงทิ้งอัตตาตัวตนที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้สานึกว่าชาติบ้านเมืองจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วทำไมคุณต้องเป็นอย่างเดียวคนอื่นเป็นบ้างได้ไหม คนคนที่เราเป็นเนี่ยเรานึกถึงว่าคนอื่นก็ต้องมีส่วนในส่วนตรงอื่นก็ช่วยกันดูแลรับผิดชอบปันเมืองเพราะนั้นความโลภจึงเป็นอันตรายยังทำทั้งหลายพุทเจ้ารับสั่งสั้นๆง่ายๆว่าโลภะธรมมนังปริปันโทความโลภเป็นอันตรายยังทำทั้งหลายเพราะงาั้นความไม่โลภเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์คือกูลแก่วิถีชีวิตวิถีสังคมลักษณะทางอารมณ์เศรษฐกิจการเมืองอะไรต่อไรเนี่ย ลดความโลภลงไปนะปัญหาคอร์รัปชันปัญหาการศึกษาปัญหาโรคเอดปัญหาของเถื่อนปัญหาสิ่งตอบติดต่างๆเนี่ยมาจากโลภลงนลองดูเพราะนั้นมันแะอยู่ตรงนี้ว่าสุดจะดีคือลดความโลภลงไปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่สำแดงออกมาจนกระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่นแล้วก็มีจิตใจเร่าร้อนมีความกำหนัดมีความยึดติดมีความหวงแขน ต้องการจะ่อยแพาได้มาเนี่ยแต่และอย่างมันรู้น่าแต่อยเป็นปนัญหาแก่ตัวเองเท่า น, นั้นต้างฟังเท่าไรแต่รวมพ่อพิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมยมีแต่ท่านผู้ฟังมท่าไรโดยทั่วกันสวัสดี